บุกทูเก้าสิบเจ็ดคำสรรพนานสี่ข่าลับทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ยนสนส е л е в ตทีวีสระบุคลูชนเขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้ว ย, ยนูนจะอยู่ я ั้งที่ดึ о แล้วเขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้วยูนไม่พรชทว่าที่เราัม่นี่ทว่าที่เตโทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับเทเลวิเ์บูกลูชันเน่ยังเลียดชนะเหตุแยซะนุดึกแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่บูลูจป وز นายังเลี้ยดชนะหตุแต่ยุยักเชตอซเรานัด ก, กันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา ทั้งทั้งที่เขาไม่มีใบขับขี่เขาก็ขับรถ х าเจาเยหัวเนมาวาจิติลสกับาสเวียชเนียยุนคิรุยาอัลตม б บ л ลิมถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเร็ว хотя дорога с л ล з к а я Ён едзе хутка กะเขาขี่จักรยานทาั้งทั้งที่เขาเมา хотя ё н п ь я н ы ё н е д з е на велосипеде з เขาไม่มีใบขับขี่แล้วยังขับรถ у яго н я м а в о д и т е л ь с к а г а п а с в о д ч а н н н я я глядя з ч ы н а г э т а ยนเกี่ยวางอตมาบมทั้งที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็วดาร с к а я สิลิสก์ยาเน а ้อเกลียด з е ху ะเหตุยุ а นเยี่ยดยาุตคาเขาเมาแต่เขาก็ยังขี่จักรยานยุนพยน เนืเอน้อเพลงเดียดิฉันเห็นธอลซพยเธอหางานไม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัยยนาน่นาไม่หาที่จ้างงานถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลาัย เ, เธอไม่ไปหาหมอถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม ยานาญี leisure, ่ย์เดเจวยเบเธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตามยานาคุลยเตมบิลเจยย่เนียรชเธอจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได้ยานาวุชิเลวนู เ я г л е д з я ч ы на гэта яна не знаходзіць працы เธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ У яе б เ л ่โบลีเนื้อเลือดจะชนกันแต่ยาน่าไม่เดเธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถ У яе няма грошай Нягледзя чына гэта, яна купляе а ў т а м а б і л ь